อนาปฏิวานพิกสูต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ427 1. นพิกษูรู้ว่าพิกษูนั้นไม่ได้ถูกสงลงอุเคปณิยกรรม 2. อพิกษูรู้ว่าพิกษูนั้นถูกสงลงอุเคปนิยกรรมแต่สงเรียกข้หมยแล้ว3าพิกษูรู้ว่าพิกษูนั้นยอมสลัดทิฏฐินั้นแล้ว4ีพิกษูวิกลชนิด5้พิกษูต้นบัญญัติอุคิตะสัมโภคสิกขาบทที่9จบ